อันนี้ถือว่าเกิดจากความประมาทแล้วก็การใช้ชีวิตในสภาพที่นี้ลำบากมากประมาททั่วพริบตาเดียวแล้วคนที่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่ามีผมคนเดียวนะตอนไปอยู่โรงพยาบาลเนี่ยจะเห็นคนไข้แบบนี้ยเยอะเลยพวกเราต้องระวังให้ดีการไปเล่นน้ำที่ใดก็ตามห้วยหนองคูคลองหรือบึงแม้แต่น้ำที่ทะเล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 ที่โรงพยาบาลเจอร้ายคนที่กระโดดน้ำแบบนี้เนีแล้วก็ศีรษะไปกระแทกตอกระแทกหินแล้วก็พื้นพื้นทรายในทะเลเนี่ยอันเนี้ยเกิดจากความประมาทไม่ระวังนะและอีกประเภทหนึ่งประเภทขับรถมอเตอร์ไซค์หรืออุบัติเหตุจากรถยนต์เนี่ยจะมีการบป็นนี้ทั้งนั้นเลยคือร่างกายส่วนล่างเนี่ยเคลื่อนไหวไม่ได้เคลื่อนไหวได้แต่ศีรษะแล้วก็แขน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 คุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องเขาก็พลอยเป็นทุกข์กับเราด้วยอันนี้ทำให้เรามีความเศร้าอีกเราเศร้าคนเดียวไม่เพียงพอนะพาให้คนที่รักเราเนี่ยเศร้าหมองไปด้วยอย่างนี้จะหาความสุขได้อย่างไรเพราะฉะนั้นอย่าประมาทไม่ต้องการเรียนหนังสือนะวันนี้เรียนเรื่องอะไรกลับไปจดกลับไปทบทวนทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็จะเกิดการจาได้ง่า ย, ายถึงเวลาสอบเนี่ยก็ไม่ต้องดูอะไรมาก แค่ทบทวนก็สอบได้แหละทําข้อสอบได้ลนะเพราะฉะนั้นการเรียนก็ไม่ควรประมาทอันเนี้ยเป็นแง่คิดในการใช้ชีวิตว่าไม่ควรประมาทเราจะได้ไม่มาเสียใจยในภายหลังการไปก่อนดีกว่ามาแก้ทีหลังนะบางทีมันแก้ไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามเราต้องเข้าใจสิ่งิงหนึ่งว่าสิ่งทั้งหลายในโลกเนี้ยมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอน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 เพราะเข้าใจชีวิตจริงม่าทุกอย่างมีแต่การเปลี่ยนแปลงจะได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นเนยก็มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งมีลูกชายอยู่สองคนเศรษฐีเนี่ยก็ต้องจากโลกนี้ไปก็ห่วงลูกชายมอบทรัพย์สมบัติให้ลูกชายมอบมอบจนหมดแล้วสุดท้ายเหลือแหวนอยู่สองวงวงหนึ่ง เป็นแหวนเพชรราคาแพงก็มอบให้ลูกชายคนโตวงที่สองเป็นแหวนทองธรรมดากล่งเกลี้ย ง, งมอบให้ลูกชายคนเล็กแต่แหวนทองเกลีงเกลี้ยงเนี่ยมีเป็นภาษาเขียนว่าทุกอย่างไม่แน่นอนทุกอย่างไม่แน่นอนดูแล้วไม่มีค่าไม่มีราคาเลยนะแหวนทอง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 ก็ทำจะได้ว่านั่นไงเห็นไหมทุกอย่างไม่แน่นอนเข้าใจสัจธรรมข้อว่าไม่แน่นอนน้องชายก็เลยไม่ต้องไปโรคประสาทไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะเข้าใจสัจธรรมข้อนี้เพราะนั้นทุกคนลองจำไหมนะว่าอะไรก็ตามที่ผ่านมาชีวิตเราเนี่ยมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอย่าไปยึดมั่นถือมั่นแต่รับรู้เอาไว้ได้เมื่อเวลาเรามีความสมหวังมีความสมหวังหรือมีความสุข ก็อย่าดีใจจนเกินไปจนลืมนืม้อลืมตัวจะกลายเป็นความประมาทนะเพราะว่าความสมหวังความดีใจนั้นมันแน่นอนไหมมันไม่แน่นอนอย่าไปยึดมัน่นถือมันรับรู้รับทราบเอาไว้ไม่ไปฏิเสธดีใจพอสมควรเนี่ยบางคนเห็นไหมสอบเติดโอ้ดีใจมากเลยดีใจมากแต่อยู่มาวันหนึ่งเนี่ย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 การเจ็บปวดในรเรื่องของร่างกายไม่ใช่เรื่องของจิตใจถ้าใจอดทนได้แล้วก็ความปวดมันจะลดน้อยลงไปเนี่ยคือรู้จักอดทนถ้าคนที่เวลาจะค่อยได้ป่วยแล้วอดครวนไม่อดทนแต่อดครวนควรกลางเนี่ยโรคภัยกับเจ็บจะหายช้ามากแล้วก็จะเป็นทุกข์มากด้วยป่วยทั้งกายป่วยทั้งใจต้องฝึกไว้นะหนูทุกคน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 ใครอดทนได้เนี่ยจะมีชีวิตที่แข็งแกร่งจะไม่เปราะบางใครที่ไม่อดทนเนี่ยชีวิตจะเปราะบางมากแล้วก็จะเอาตัวไม่รอดอดทนทา้านร่างกายอดทนทางด้านจิตใจเนี่ยสำคัญมากความอยากอ่าอย่างเช่นเกิดความอยากได้มือถือรุ่นใหม่สักเครื่องหนึ่งความอยากเนี่เกิดขึ้นที่ร่างกายหรือจิตใจอ่าความอยากเกิดที่จิตใจนะ ก็ต้องอดทนเหมือนกันนะอดทนต่ออารมณ์อารมณต่อความอยากอยากสูบบุหรี่อยากดื่มสุราอยากกินยาเสพติดอันเนี้ยต้องอดทนให้ได้ใครอดทนได้เนี่ยชีวิตจะเข้มแข็งมากอดทนกับความโกรธไหนใครไม่เคยโกรธไหนใครเคยโกรธบ้างเอาละขอบใจมากเวลาโกรธเป็นไงมีความสุขดีไหม อันตรายนะความโกรธเนี่ยความโกรธเกิดที่น่างกายหรือจิตใจความโกรธเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่ามันคือนรกถ้าตายไปตอนนี้ตกนรกแน่นอนความโกรธเป็นความร้อนความโกรธทำให้แก่วัยหน้าตาไม่สวยเขาจะบอกว่าถึงยามโกรธโปรสซองมองกระจกดูวิตกอ ก, อกเต้นเมื่อเห็นหน้า ช่างปั้นยากปากจมูกและลูกตาดังยักษ์สาราศีไม่มีเลยเวลาโกรธไปดูเถอะดูที่กระจกอะ่ะเหมือนยักษ์เห็นไหมเขาจึงวาดความโกรธเป็นสิ่งที่มีเขี้ยวเป็นยักษ์เพราะฉะนั้นเกิดความโกรธต้องอย่าอดทนอย่าทําตามความโกรธอย่าพูดตามความโกรธถ้าทําตามความโกรธไปทำร้ายเขาไปฆ่าเขาก็เสียอนาคตไปด่า ไปว่าเขาเนี่ยบางทีก็ เ, เจ็บตัวเคยไปในสถานพินิษย์เคยไปในเรือนจำเห็นนักโทษที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยอายุขนาดพวกเราเนี่ยล่ะสิบเจ็ดตแปดนี่หละต้องไปติดคุกเสียอนาคตเพราะความโกรธทนต่อความโกรธไม่ได้ทำลายร่างกายกันทนกับความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่ได้ ไปลักขโมยก็เนี่ยอยู่ในเรือจนจำเนี่ยเสียอนาคตเลยเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยระวังให้ดีรู้จักอดทนต่อความโกรธกับความอยากให้ได้ไม่งั้นเราจะเสียอนาคตอีกอย่างหนึ่งก็คืออารมณ์พวกเนี่ยเกิดจากเมาดื่มสุรากินยามากินยาบ้าเมายาเม า, า, มาสุราเนี่ยจะทําอะไรก็ได้จะฆ่าใครก็ได้จะลักขโมยใครก็ได้ เพราะสุลาเนี่ยเป็นต้นเหตุพวกเราระวังให้ดีนะพวกนี้ทําให้เราขาดสติใครเคยมีความท้อแท้บ้างใครเคยมีความท้อแท้ในชีวิตบ้างความท้อแท้เนี่ยหนูระวังให้ดีนะคนที่มีความท้อแท้เนี่ยสิ่งที่ตามมาคือความซึมเศร้าเพราะเกิดความซึมเศร้าแลนะ้วเนี่ยจิตมันจะเบลอกลายเป็นคนที่ไม่มีชีวิตชีวาไปเลย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 เราจะยกของหนักๆสักสอย่างหนึ่งยกของหนั ก, น, กนะถ้าเราบอกไม่ไหวเนี่ยเราจะไม่อยากยกใช่ไหมถูกไหมเราเปลี่ยนใหม่ถ้าเราเปลี่ยนว่าพอไหวถ้าพอไหวเนี่ยมันอยากจะยกใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องรู้จักท้าทายพวกเราเนี่ยอายุน้อยๆกำลังจเจริญเติบโตแล้วก็จะมีชีวิตอีกยืนยาวเราต้องกระตือรือร้น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 เพราะถ้าเราไม่ตื่นเนี่ยก็ปัสสาวะรถจีนนอนใช่ไหมพราะตื่นมาเข้าห้องน้ําเลยเข้าน้ําเสร็จกระจับกระเฉงอย่าทาใบหน้าสึญเสียมันก็จะง่วงต่อไปแต่พวกเราเนี่ยมักจะพอนาฬิกาดังตอนตีห้าไปปิดแล้วก็นอนต่อใช่ไหมต้องฝึกตัวเองนะสมัยเนี่ยตื่นสายจะหากินไม่ทันก็อันเนี้ยเคยฝึกเนี่ยพอตื่นมาเข้าห้องน้ําก่อนตื่นมาเข้าห้องน้ําก่อนแล้วต่อไปมาถึงเวลาก็ตื่นเอง อันนี <c Reading everyday life> yes like like ้เราต้องต้องฝึกเอาไว้นะต้องฝึกช่วยตัวเองฝึกช่วยตัวเองให้มากๆเคยมีคนสัมภาษณ์เด็กชายคนหนึ่งเขาถามเด็กชายว่าหนูหนูโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรเด็กว่าไงไหมอยากจะเป็นนายกสภาคนต่อไปหนูโตขึ้นจะเป็นอะไรเป็นนายพลและหนูล่ะจะเป็นหมอ อีกคนนึงจะเป็นครูเขาถามว่าหนูตื่นขึ้นมาเนี่ยพระผู้ทหรือเปล่าบอกพระผู้ทยังไม่เป็นเลยโทและ้ะใครพระผู้ทให้คุณแม่ใช่ไเรื่องของเราเองยังทําไม่ได้แล้วก้คุณทำให้เนี่ยจะไปเป็นนายกแต่พระผู้ทไม่เป็นจะเป็นนายพลอย่างพระผู้ทไม่เป็นเพราะฉะนั้นพวกเรา เรื่องของเราเราต้องทําให้เรียบร้อยเสื้อผ้าผ้าหม่มอย่าให้คุณแม่มาทําให้มันเป็นบาปไหนใครตื่นมาไม่พับผ้าห่มบ้างยกมือสิต้องมีบ้างอะ่ะนี่จะบอกให้ผมนี่นี่มือแบบเนี้ยพับผ้าห่มได้นะพับผ้าห่มเองไม่เคยมีใครมาพับให้เพราะฉะนั้น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 อันนี้สําคัญนะพวกเราสิ่งที่สําคัญก็คือจะเป็นความอยากจะเป็นความกโกรธความท้อแท้ความขี้เกียจสิ่งเหล่าเนี้ยมันเกิดขึ้นจากความคิดของเราเกิดขึ้นจากความคิดใช่ไหมอย่างเช่นความกโกรธเนี่ยถ้าเราไม่คิดมันไม่กโกรธใช่ไหมเพราะความคิดเป็นสําคัญอันนี้สําคัญนะ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 เพราะนั้นเราต้องรู้ให้ทันความคิดของเราเครื่องมือในทางธรรมข้อหนึ่งที่ว่าสามารถจัด ก, การความคิดได้ใครตอบได้เครื่องมือที่จะรู้ทันความคิดในทางธรร ม, มะมีอยู่ข้อหนึ่งว่าเครื่องมือที่จะรู้ทันความคิดได้นั้นคืออะไรเป็นธรร ม, มะก็คือสติ ถ้าขาดสติเนี่ยเอาชนะความคิดไม่ได้หรอกสติสามารถหยุดความคิดได้เพราะนั้นอยากให้พวกเราเนี่ยมีสติสติทำให้เรารู้จักตัว เ, เองเอาชนะความคิดได้ทุกชนิดเลยเราจึงควรฝึกสติเอาไว้สติมีคุณประโยชน์มากสติไปว่าความลึกได้หรือความรู้สึกตัวก็ได้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 คนนอนไม่หลับเพราะว่าเราขาดสติใช่ไหมเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่หนูฝึกไปเนี่ยนอนพลิกมือเล่นอย่างเงี้ยพลิกมือหงายรู้พิกพความรู้เนี่ยถ้าหนูนอนไม่หลับหนูไปพลิกมือเล่นอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวหลับสบายเลยมีไหมมีคนนอนไม่หลับไหมหรือไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนต่างกันนะนอนไม่หลับกับไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนอายุขนาดนี้เนี่ยถ้านอนไม่หลับเนี่ยทำใจได้เลย ต่อไปจะแก่เร็วอล้วก็ตามคนเราที่นอนไม่หลับเพราะความคิดมันฟุ้งซ่านให้นอนพลิกมือเล่นนะนอนพลิกมือเล่นเดี๋ยวมันก็หลับสบายนะสำคัญนะถ้ามีสติจะเอาชนะความคิดฟุ้งซ่านได้คนมีสติทำให้เรียนเก่งเรียนเก่งอย่างไรคนที่เรียนไม่เก่งนั้นเวลาขณะฟังครูสอน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 จเจ้าตัวไม่รอดคนเก่งแต่โกงเนี่ยตัวไม่รอดนะมันจะเป็นชีวิตที่ไม่มีคุณค่าเลยมีแต่การเอาเปรียบแพนแก่ตัวอย่างเงี้ยขาดสติใช่ไหมกำลังฟังผมพูดเนี่ยเสียงอะไรดังหน่อยก็ไปดูเนี่ยขาดสติแล้วเสียนน่ยคะแนนเอากลับมากกลับมาฟังใหม่โจนจะจบแล้วเอาฟังต่ออีกหน่อยหนึ่งถ้าเก่งแต่โกงเนี่ยเราจะเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าเลย จะมีการเอาเปรียบเพืนแก่ตัวหนูรู้จักอีกาไหมใครรู้จักอีกาบ้างสมัยนี้ไม่ใช่อีกาแล้วอีกาเนี่ยเขาจะบอกว่าจงเอาเยี่ยงกาแต่อย่าเอาอย่างกากาเนี่ยเป็นสัตว์ที่ขี้รักขี้ขโมยแต่กาเนี่ยขยันหากินเอาเยี่ยงกาคือขยันหากินตื่นแต่เช้าแต่อย่าเอาอย่างกาคือขี้รักขี้ขโมย หนูรู้จักอีแลงมัหมอีแลงกเนี่ยบินเก่งบินสูงแต่อีแลงเนี่ยกินอะไรเป็นอาหารของเน่าเห็นไม่มเหมือนกับคนที่เรียนเก่งแต่ขี้โกงเป็นคนเก่งแต่ขาดคุณธรรมก็เหมือนอี แ, งแลงนะพวกเราถ้าไม่อยากเป็นอีแลงกอย่าเป็นหงอยากจะเป็นหงเราต้องเรียนเก่งแล้วก็มีคุณธรรมด้วย อันนี้อยากจะขอฝากไว้นะอ่านตอนสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนเนี่ยมองมาที่ผมและก็จงพิจรารณาดูว่าผมที่มีสภาพร่างกายอย่างเนี้ยการเคลื่อนไหวก็ลำบากนิ้วมือก็กระดิกไม่ได้ขาก็รีบใช้ชีวิติลำบากมากช่วยตัวเองไม่ได้สภาพเช่นนี้เกิดจากอะไร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 เอาชนะความคิดของเราให้ได้เวลามันเกิดความกโกรธไม่ต้องไปห้ามแต่อย่าไปทำตามเอาชนะได้แล้วเวลามันเกิดความอยากได้อยากมีอยากเป็นให้มีสติรู้อย่าไปทำตามเอาชนะได้เกิดความท้อแท้ให้มีสติรู้ในความคิดท้อแท้และก็ไม่ต้องท้อแท้ตามเอาชนะได้